กำลังตาลบกันว่าวิชาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจในหูเรียนไม่มีจบมีสิ้นจริงนะแต่งสีแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งโพธาภาสเนี่ยนะจริงๆมันมีอยู่เท่านั้นจริงๆนะไม่ได้มีเกินกับนั้นหรอกมีในสีเสียงกลิ่นรสโพธาภาสเนี่ยนะแล้วก็ทั้งหมดถ้าย่อมาอีกก็แค่มหาพูดเท่านั้นเองนะวุ่นวายในการยุ่งกับมหาพูดเท่านั้นเอง โครงการทั้งหมดนะครนา ม, มาทาทั้งหมดที่แต่งแต่ ง, ต, งตั้งขึ้นมาเพื่อที่บายมหาพูดอย่างเดียวมหาพูดจริงๆเลยนะชอบมากคำวิเคราะห์มหาพูดนะมหามายาเหมือนกันก <c oughs> ็ไม่มีอะไรจะหลอกลวงเท่ากับมหาพูดแต่นี้หมายถึงว่าเราเข้าใจคำสอนน่นนะ จ, จึงคำเหล่านี้จึงพูดได้ แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องคำสอนอะไรเลยนะอวิชามันกปกติดท่วมทับหมดเดือดร้อนปกติสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเพราะมหาพูดนะในปัเจะเฉพาะในกาลมาพบนะไม่มีอะไรที่พ้นจากรูปเลยชอบคำหนึง่งเขาบอกว่าผู้ที่สลัดออกจากรูปจริงๆเนี่ยต้องด้วยอรหัตตมัตจึงจะสลัดออกจากรูปได้โดยเด็ดขาดนะ แสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องรูปประธรรมนี่เป็นของที่ยิ่งใหญ่มาก <c oughs> ในสังยตนิกายสลายยตนาวักเลยนะข้อที่สองเมื่อวานนี้ข้อแรกแต่ละอันนี้จะสูตรคือพูดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนในสูตรที่สองอาชาติกะทุกขสูตรเนี่ยนะ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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเรา น, นระนะไปยานตรงนั้นก็คืออริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบือน่ายแม่นจกักษุเบือน่ายแม่นโสตะเบื่อน่ายแม่นาัานาะเบื่อน่ายแม่นชิวหาเบื่อน่ายแม่นากายะเบื่อน่ายแม่นโมโนนะเมื่อเบือน่ายก็ย่อมคลายกำหนับเพรคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะนะตามสูตร <c oughs> ถ้าตามสูตรนี้ก็เน้น ให้พิจารณาอายตนะภายในเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกาจซึ่ง เ, เน้นตรงนี้ก็เน้นเฉพาะตีระปริญญาด้วยนะคือบ่งถึงว่าภิกษุที่รับฟังเนี่ยแสดงว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้ที่มีความรู้มากเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คำาฝือนะว่าให้ตรงเลยเรียก ว, ว่าแสดงตรงประเด็นกับผู้ฟังนะยัง อันพิสุเหล่านี้ ท, ที่ฟังธรรมะประเภทนิเพธภาคยะทันทีเลยไปถึงก็ประกาศว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเลยนะอันถ้าโดยวิสุทธิเนี่ยนะแสดงว่ามาขึ้นต้นระดับมัคคามัคหาณทัศนะวิสุทธิอยู่แล้วแสดงว่าวิสุทธิก่อนหน้านี้นะกังขาวิตรณวิสุทธิที่ถีวิสุทธิจิตาวิสุทธิสีละวิสุทธิไล่ไปล่างๆหรือสุตานี่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอันประกาศธรรมะประเภทนิเ พ, พธภาค ย, ยะเลยนะ ธรรมะกลุ่มชั้มแรกกิเลสเลยบรรลุได้บรรลุไปเลยมันงั้นเนี่ยอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการให้กรรมฐานภิกษุที่เราถ้าอ่านข้อความในพระไตรปิฎกหรืออัตถกาถาหลายแห่งเขาบอกว่าฟังธรรมหรือเรียนธรรมะแต่ต้นจนอรหัตตมรรคเนี่ยนะก็คือเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยจบลงที่อรหัตตมรรคหมดเลยถ้าพิจารณาทุกๆบทเนี่ยทุกบทนี่ทั้งสูตรเลยอะจบลงที่อรหัตตมรรคทั้งนั้น เพืท่านเหล่านี้ก็ฟังสูตรเหล่านี้ก็ไปเจริญไปภาพเพียนไปไข้ครวนนั่นเองจริงแล้วแต่ถ้าไปเจริญจริงๆนะเรื่องพวกนี้ใหญ่โตมากเลยนะใช้ตาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยให้เห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยถ้าไปเจริญจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยนะอะโดยเอาหลักสติปัฏฐานของเรามาจับอะ พิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาความเกิดบ้างพิจารณาความเสื่อมบ้างพิจารณาทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมบ้างเนี่ยนะเอาเอาหลักอันนี้มาจับเข้านี่จะเป็นเรียกว่างานใหญ่อีกงานหนึ่งเลยนะซึ่งตรงนี้ก็เห็นปฏิสามพิทาของพระพุทธเจ้าว่าใช้พยัญชนะไม่มากแต่ว่าเนื้อหาในครอบลุมหมดเลย ก็ถ้าพูดถึงไปแล้วนะถามว่ามีใครมั่งพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไง้ต่ใช้คำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเพราะมันเป็นอวัยวะ ท, ที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้วเนี่ยมันถ้าพูดสีที่ไหนเรื่องราวเป็นภาพเป็นอะไรทั้งหลายนะในโลกของภาพทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละคือตาอย่างเดียวใช้คำว่าตาอย่างเดียวในโลกของเสียงทุกชนิดสารพัดเสียงเลยนะที่มีอยู่ในโลกนียก็ใช้ศัพท์ว่าหูอันเดียวนี่ก็พอละ กลิ่นทุกชนิดในโลกเนี่ยนะบอกแค่จมูกอย่างเดียวนี่ก็ครอบคลุมกลิ่นไปทุกชนิดแล้วแล้วก็ถ้าพูดลิ้นอย่างเดียวเนี่ยนะอาหารเนี่ยจะกีดในโลกเนี่ยอาหารมีกี่ประเภทกี่ชนิดเพื่อสนองอะไรสนองลิ้นอีกนั่นแหละถ้าใช้โพธิภพนะครับอมความไปถึงที่อยู่อาศัยการเดินทางอิริยาบดนะ์เนี่ยมันอมไปหมดเลยนะใช้คําว่ากายอยันเดียวเนี่ยคลุมไปหมดทุกชนิดเรื่องราวในโลกนี้ใช้คำว่าใจอันเดียวนี่ก็ คลุมหมดแนละ้วเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของที่กว้างที่สุดอันพระอาหารหันต์บางรูปนะอย่างที่เราเคยฟังสูตรที่พูดถึงต้นทองก้าวใช่ไหมต้นทองก้าวเนี่ยโดยฤดูการต่างๆนะบางฤดูกาลเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เหี่ยวเฉาตายอ่ะนะเหมือนต้นตายอะ่ะหน้าไหนดิหน้าที่มันสลัดใบไปหมดต้นดําปีไปหมดเลยนะดูเหมือนต้นไม้ตายอะ่ะหน้าแรงอ่ะนะ อีกตอนหนึ่งก็โหดกไปด้วยใบเลยนะอีกรดูหนึ่งเนี่ยงามไปด้วยดอกดอกเต็มไปหมดอีกฤดูหนึ่งเนี่ยเหลือแต่ฝักเพราะอีกพักหนึ่งเอาร่วงใบอีกแล้วก็คือมองต้นทองกวาวเนี่ยสี่ระยะด้วยกันอั น, อ, น, อ, นอุปมาต้นทองกวาวก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละก็ทัมมองแคบในอุปาทานขันหาก็เหลือแค่มหาพูดใช่ไหมถ้าพูดถึงมหาพูดนี่อมหมดแล้ว ปฐวีเทา 20, ่าไรย่สิบอโปสิองเตโชสี่วายโยหนเนี่ยนี่มันก็คือชีวิตน่ะนะพูดมหาพูดแล้วก็เป็นวัตถุเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งอารมณ์ก็เท่ากับแสดงหมดละกว้างขวา ง, วางไปกว่านั้นก็บอกว่าอุปาทานขันธ์หาเยอะกว่านั้นอีกหน่อยก็คืออายตนะภายใน6นเนี่ยถ้าไม่กว้างขวางไปกว่านั้นก็อายตนะสิองหรือว่าสิ่งทั้งปวงเหมืนนอนกันแต่แต่จริงๆอ่ะย่อดได้ขยายได้จริงก็คือ นี่แหละชีวิตของเราอายตนะในะทั้งหเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะสําคัญที่สุดมากเนาะในร่างกายนะถ้าพูดถึงในชีวิตเลยเนี่ยตัวที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยก็มีหกอย่างเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจันผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของตาเนี่ยควรจะรู้เหตุเกิดของตาด้วยใช่ไหมรู้ความดับของตา ในพุทธพจน์โดยทั่วๆไปที่ใช้พยัญชนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะอ่าให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเบื่อแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยอ่อย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นวิปัสสนาค่อนข้างระดับสูงคือถ้าเทียบโดยลำดับขั้นเนี่ยนะเอาเอาขั้นมาจับหรือเอาวิปัสสนาญาณมาจับ ก็คือถ้าถ้าตามพุทธพจน์เลยนะก็กล่าวว่าตาไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งพอสูตรที่สองก็บอกว่าตาตาเนี่ยเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพอสูตรที่สามขึ้นต้นด้วยอนัตตาเลยนะนะั่นแหละซึ่งอ่ะ ทั้งตาหูจมูกเลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือบอกว่าให้ละวิ ป, ปลาสในสิ่งนั้นเลยเพราะว่าตัวมานะตันหาทิฐิสามอย่างนเนี่ยเป็นเป็นความวิ ป, ปลาสที่ไปสําคัญผิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือไปสําคัญว่าเที่ยงสําคัญว่าศขสําคัญว่า งามแล้วก็สำคัญว่าเป็นอัตตาพันให้ละวิปลาสเหล่านี้เพราะการที่จะละวิปลาสได้ก็ต้องอาศัยเนี่ยอนุปัสนาเนี่ยจึงจะละมันตรงทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเป็นธรรมะเรียกว่ากลุ่มปฏิ ป, ปทาญาณนะทัศนวิสุทธิถ้าถ้าโดยญาณเ่โดยวิสุทธินี่เรียกว่าปฏิปทา ญาทณทัศนะวิสุทธิก็เรียกว่าความบริสุทธิ์ของการเห็นเนี่ยนะที่เป็นเครื่องดำเนินเพื่อความบริสุทธินั่นเองท่า น, นวิราคเนี่ยเป็นชื่อของมรติมิมุติก็ผลแล้วก็ปัจเจเวคณาญาณ ที่กล่าวว่าตาหูจมูกเลนการใจเนี่ยนะกับการสามเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะคนที่จะพิจารณาถึงคาว่าไม่เที่ยงเนี่ยน ะ, ะบุคคลนั้นควรเข้าใจอะไรควรเข้าใจในความที่ตาเนี่ยถูกปัจจัยเนี่ยประชมปรุงกันขึ้นเนะถูกปัจจัยเนี่ยประชมขึ้น เมื่อถูกปัจจัยประชมขึ้นเนี่ยแม้ในอดีตตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยประชมขึ้นอนาคตที่จะมีต่อไปก็ถูกปัจจัยเนี่ยประชมขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะตาก็ถูกปัจจัยประชมขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในก็ลักษณะเดียวกันหรือภายนอกในบุคคลใดๆก็เช่นเดียวกันเหคือ อดีตของเขาก็ถูกตานะอดีตก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นอนาคตก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นปัจจุบันนี้ก็ถูกปัจจัยเนี่ยประชุมกันขึ้นถ้าน้ารู้เห็นแบบนี้เนี่ยน ะ, ะถ้าถ้ากล่าวโดยที่ ท, ที่วิสุทธิ์ที่ก่อนนะถ้าประมวลว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอะ่ะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นที่ที่คนพานคิดขึ้นเลย อันนะั้นจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละเป็นทิฏฐิพิสุทธิเนี่ยนะคือเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เพราะว่าจริงๆมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแต่ค้นพานไปสําคัญว่าเป็นอื่นไปเท่านั้นเองเหรอไหมอันนี้คือความเป็นผ่านนะไปไปเข้าใจผิดว่าเป็นอื่นไปเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับ เ, เ, เ, เคยเคยเห็นวิทยุไหมสมัยเด็กๆในฮ่องมาเวลาพอเขาเปิดวิทยุใช่ไหม ว่างๆเอยพอพ่อมาอยู่เราก็รื้อทําไมมันพูดได้ไอ้วิทยุเนี่ยนะดีนะสมัยมันไม่มีไฟฟ้านะถ้าเป็นเป็นเล่นโทรทัศน์อาจจะช็อตไฟช็อตตาไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันอยากรู้ว่าในนั้นอ่ะทำไมวิทยุมันพูดได้แล้วก็รือร้อรือร้อรื้ออรืไปดูะนะรื้อไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่ดีนะถ้าเกิดแบบเครื่องมันยุ่งยากมาทั้งสายจะใส่น็อตไม่เหลือเยอะเลยนะ อันนี้พวกตาหูจมูกเลนกายใจมันก็เป็นอย่างนั้นพอรื้อออกไปแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรอย่างที่เราไปไปคิดะนะว่าเช่นนักอ่านข่าวอยู่ในนั้นไม่มีจริงหรอกหรอไหในตัววิทยุะนะมีใครไปเป็นนักอ่านข่าวนักอะไรอยู่ในนั้นไหมถ้ายิ่งทีวีด้วยแล้วค้นหาอะไรในนั้นไม่เจอเลยแต่ว่าสิ่งเราเานี้นะทั้งทั้งไอยอย่างวิทยุโทรทัศน์มันก็อาศัยปัจจัยเนี่ยประชมกันขึ้นนะมันก็ดังขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไอวิทยุโทรทัมันสมุทฐานเดียวคืออุตุสมุทฐานอันนี้มันมีกรรมเป็นสมุทฐานเข้ามางนั้นสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยเนี่ยประชมปรุงแต่งกันขึ้นแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นอนาคตก็ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นอ่าถ้าอันนั้นอะความรู้อันนั้นแหละเป็นกังขาวิจารณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยว่า ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นเห็นไหมอ่า น, นะทบทนอีกครั้งหนึ่งทิ่ทวิสุดที่คือชีวิตของสัตว์ทุกชนิดทุกพบภูมิมันก็คือเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นแหละแล้วเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติหรือโวหารว่าเป็นสัตว์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีชีวิตเกิดร่วมด้วยชีวิตอินทรีเนี่ยนะทาให้มันมีบัญญัติว่าสัตว์ขึ้นอ่า น, นะ แล้วสิ่งเหล่านี้ในทุกพหภูมิก็ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้น น, น, นะนะตอนนี้เลยนะในทุกพหภูมิที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ตามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ถูกกรรมเป็นต้นนะประชุมปรุงแต่งขึ้นเห็นไหมถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็สูตรเขาก็มีอวิชชาใช่ไหมตัณหากรรม กรรมนี่มันพิเศษหน่อยเจตนาเท่าไรเจตนาที่ทำให้มีรูปยี่สิบห้าเจตนาที่ทำให้มีรูปยี่สิบห้าคือสิบสองแปดห้าสิบสองคื อ, อกุศลสิบสองมหากุศลแปดรูปาวจรเจตนาอีกห้าที่เป็นกุศลเนี่ยนะส่วนตันหาก็ตามสมควรเนี่ยนะ แต่แ้ถ้าเป็นเน้นในภพที่อาศัยอาหารก็อาหารนี่เป็นปัจจัยขึ้นอวิชาตันหาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรแม่กรรมเหมือนกับพ่ออาหารเหมือนกับพี่เลี้ยงเนี่ยเนี่ ย, ยตัวเขาส่วนจิตนี่ก็ตัวใจนี่ก็เจตนาย9ก้า เฉพาะกรรมอ่ะแล้วก็อาศัยนามกับรูปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในปัจจุบันนี้่สิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในอดีตก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในอนาคตก็จะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จะสงสัยอดีตไหมไม่สงสัยคือคืออดีตเนี่ยมันก็มันก็ตานะอนาคตมันก็ตาเพราะฉะนั้นไม่สงสัยว่าอดีตเนี่ยตาเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อนาคตต่อไปก็ไม่สงสัยว่าตาเนี่ยจะถูกปจจัยปรุงแต่งขึ้นแต่สิ่งใดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะตาในอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตตาในอนาคตก็จกหมดในอน า, าคตตาในปัจจุบันนี้ก็สิ้นไปในปัจจุบันไอ้การตามเห็นอย่างนี้เราเรียกว่าตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยง Coconut. คือเ้ามองออกหมดตลอดสายละไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยไอ้การดำรงอยู่ของตาเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหมือนกันแ้ไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็บอกเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยใครล่ะคะ น, นี้นํามาซึ่งความเดือดร้อนขนาดนี้นะใครอ่ะนะฉะนั้ะผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะถ้ารู้จริงก็ต้องละมานะได้เพราะว่าเวลาจําอวดกันเนี่ยนะก็อาศัยอะไรเป็นเครื่องอวดก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นที่ตั้งของมานะอ่ะนะเขาดีกว่าเราเขาเลวกว่าเราเสมอการพอๆกันนี่ก็เอาพวกนี้แหละมาเป็นเครื่อง เครื่องอวดกันเครื่องเปรียบฉันเห็นดีกว่าหเห็นไม่ดีสันตาใสากว่าอะไรอย่างไงนะก็สันตางามกว่าคนอื่นตาสู้ชั้นไม่ได้ก็เนี่ยเป็นที่ตั้งของม า, น, า น, ะนะนั่นแหละปาดขีตาเพ็จก็มามาแข่งกันว่าตาใครงามกว่ากันอย่างนั้นนะก็จริงๆอิงนะก็ใช <because> ้กระดาษที่ชู่เช็ดซะหน่อยแล้วมาประกวดกันนะ ก็าอาศัยพวกนั้นแหละเป็นที่ตั้งของมานะเนี่ยนะแล้วโรคสารพัดโรคมันก็ลงในพวกนี้แหละขนาดนั้นก็ตั้งความปรารถนากันเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเสร็จแล้วก็แล้วมันก็เกิดจากปัจจัยแล้วมันก็ไม่เที่ยงในการในไหนก็ยังไปเมาอ่ะนะสําคัญผิดวิปลาสเป็นความบ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ไปสําคัญว่าเที่ยงเข้าอ่ะนะก็มันไม่เที่ยงไปสําคัญว่าเที่ยงมันจะไม่บ้าได้อย่างไรนั่นนะก็มัน ปฏิกูลลรวบอกว่างามโอ้สุดยอดแล้วเมาขนาดเลยอ่ะ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 ในอัตถกถาอธิบายว่ารูปกลิ่นรสโพธพะมีสมุดฐานสี่คือการจิตอุตุอาหารส่วนเสียงมีสมุดฐานสองคือจิตกับอุตตุธรรมรมก็หมายถึงธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก็ท่านก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าถือว่าเรียนละเอียดมามากแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าถ้าว่าโดยจำนวนเล่มนี่มันเล่มยี่สิบแดแล้วเนี่ยนะเพราะ เล่มกรกฏเนี่ยผู้อธิบายมาเยอะแล้วเหมนเถอะส่วนสูตรที่สองเนี่ยนะพาหิระทุกขสูตรก็ขึ้นต้นด้วยว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมรมเนี่ยเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะอริยาสาวกที่ฟังอย่างนี้ก็เบือนหน่ายคลายกําหนัด ให้รู้ว่าทุกสูตรเนี่ยเขามีคนเอาไปเจริญและเข้าบรรลุจริงๆนะทุกสูตรนะที่ที่เห็นเนเนี่ยที่ฟังฟังเนี่ยทุกสูตรเขาไปเพ่งตามนั้นพิจารณาตามนั้นเจริญอย่างนั้นอะ่ะเป็นชีวิตจิตใจของเขาเขา้เขาทนทุกข์อ่ะนั่นนะเราฟังก็อุเปกขาสาขัคตังนี่นะสูตรที่สามเนีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาท่านทั้งหลาย เพิ่งเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนี้ถ้าใช้ประโยคแค่นี้นะบอกประกาศสัจจะสองชัดเจนเลยก็คือนั่นไม่ใช่ของเราเอานั่นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพเป็นต้นนี้ประกาศถึงทุกขสัจแล้วก็บอกถึงสมุทัยด้วยนะคือคือแต่บอกในแง่ละไม่ได้บอกในแง่ว่าจเจริญ อันคือควรเข้าไปละสมุทัยอ่ะนะคือควรเข้าไปละความสําคัญว่านั่นเรานั่นเป็นเรานั่นอาัตตาของเราเลยเหงือนกันเนี่ยนะอันอริยาสาวกผู้ฟังแล้วก็ไปเจริญอย่างนี้แหละเห็นอย่างนี้แหละเห็นจริงๆก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเป็นต้นนนทั้งหกสูตรที่กล่าวไปเนี่ยนะถ้าถ้าพิจารณาตามสูตรเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะค่อยๆสอนขึ้นมาโดยลําดับเนี่ยนะตอนแรกบอกว่า ตาห si ูจม ok, ูกลิ maths, ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้สูตรที่1นึสูตรที่สองตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกเป็นอนัตตาสูตรที่สตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตาส่วนอายตนะภายนอกนะสูตรแรกก็บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะสูตรที่สามเออสูตรที่2ก็บอกว่าเป็นทุกเป็นอนัตตาสูตรที่สก็เป็นอนัตตา นนะก็จะแสดงอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกพอสูตรที่เจเนี่ยคูณด้วยการสามเข้ามาดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายจากสูตรที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปยัยถึงจากสู่อันเป็นปัจจุบันเล่าอาริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยในจากสูตรที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในจากสูตรที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจากสูตรที่เป็น ปัจจุบันนะเนีนอพอรู้ความจริงของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของจักสุในการสามจักสุไม่ว่าจักรสุใช้คําว่าจักรสุหรือตาที่ไหนก็ตามใช้คําว่าตานะ่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าเมื่ อ, อไรที่ไหนยังไงก็คือเหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้ก็ใช้คําว่าสามมัญญะเนี่ย น, นะความเสมอกันอ่ะนะเสมอภาบนะ พราะฉะนั้นก็เลยฟังแล้วก็มันก็พอกันหมดะนะก็เลยไม่เยื่อายในอดีตไม่สร้างความหวังเพื่อต้องการอนาคตแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความดับเนี่ยนะเรียกว่าเพื่อตัดชันทราคะในจากสูที่เป็นปัจจุบันอันนี้นี่แหละหูจมูกเล่นกายใจก็เหมือนกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปยัยถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่า อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบอร์นายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะก็ว่าเออความคิดในอดีตมันก็จบหมดแล้วในอดีตอนาคตถ้าจะคิดอีกมันก็ไม่เที่ยงอีกนั่นแหละไอ้ความคิดในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันเนี่ยนะไม่รู้จะต้องการเอาความคิดไปทําอะไรเนี่ยนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วก็ผู้ที่เขาเจริญอย่างนั้นเขาก็น้อมไปเพื่อความสลัดออกจากความยึดถื อ, อนะสลัดออกจากความยึดถือเนี่ยยึดถ้ายึดถือยึดถือว่าอย่างไงเอาก่อนนะตัวนหนครังสลัดออกจากความยึดถือถ้ายึดถือยึดว่าอย่างไงยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าอัตตาเพราะฉะนั้นก็น้อมไปเพื่อที่จะไม่ยึดในในลักษณะนี้เนี่ยนะ ส่วนสูตรที่8บอกว่าดูความพิสูจทั้งหลายจากสูตรที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกขจะกล่าวไปยายถึงจากสูตรที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยในจากสูตรที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในจากสูตรที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจากสูตรที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยเป็นทุกจะป่วยกล่าวไปยายถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่า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 ไม่เพลิดเพลินจากสูตรที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจากสูตรที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะหจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันสูตรนี้ถ้าถ้าใครทรงจำไว้ได้แล้วก็ไปตรึกตามเนี่ยนะโดยที่ไม่ใช่ไม่ลึกนึกถึงคำนะคือหมายก็ว่าไม่นึกถึงคำหมายว่าประยุคคำเหล่านี้มาใส่ในชีวิตจริงๆ น, นะ คือเหมือนกับเหมือนสมมติอุปมาเหมือนกับว่าเรานึกถึงคนตายนะเออสมมุติว่านายเขียวก็ตายแล้วนายเหลืองก็ตายแล้วนายน้ําเงินก็ตายแล้วเนี่ยนะแล้วก็คนนั้นก็ป่วยก็คนนั้นนับวันตายได้เลยอย่างเง้ย น, นะแล้วเราก็าจะตายเหมือนกันอนะ่ะถ้าพิจารณาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับไม่ได้ท่องเชื่อใช่ไหมแต่ว่าเป็นการน้อมไปพิจารณาที่เห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโดยเหตุผลข้อมูลเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็น เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ระลึกถึงแนวทางหรือคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เราก็ไปพิจารณาตามถ้าพิจารณาตามจริงอะนะถ้าเราเรียกว่ามีคุณสมบัติเรียกว่าองค์ของผู้ควรบำเพ็ญเพียรเขามีองค์ห้าเนีย่ยนะข้อแรกนะหมนึ่งเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีข้อสองก็ไม่โอ้วนไม่มีมายาเนีย่ยนะข้อสก็แล้วก็เปิดเผยตนตามเป็นจริงมีคนมีสุขภาพดี นะเป็นคนที่มีความเพียรเนี่ยนะเรียกว่าปรารบความเพียรอย่างสม่าเสมอในการกำจัดบาปเป็นต้นเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ท้าเลยจริงๆว่าเธอสอนเช้าบรรลุเย็นเหมนันน่สอนเย็นบรรลุเช้าอะ่ะสำงัญว่าเราสา ม, มารถตามเห็นแบบนั้นได้สักกี่ชั่วโมงอะนะ ตำว่าเจริญเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเนี่ยก็ไข้ครวญได้แล้วก็ไข้ครวหนึ่งก็เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตเนี่ยในการเจริญอย่างเงี้ยแล้วพิจารณาทั้งภายในภายนอกอะนะจิตน้อมไปแต่อย่างเนี้ยไม่คิดเรื่องอื่นเลยมองทุกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วน้อมไปเห็นในความไม่เที่ยงเป็นต้นถามว่าจะตัดความเยื่อใหญ่ในตัด ตัดชั้นราคาในตาหูจมกูกเลนกลายได้ไหมถ้าถ้าน้อมไปเจริญอย่างนั้นได้จริงๆริงอ่ะนะมันก็ได้อยู่แล้วแต่ทำการว่ามันเจริญไม่ได้อะเนี่ยที่ที่มันแต่ว่ายังไม่ทันได้เจริญนะบอกว่าเจริญไม่ได้นี่เสียหายแล้วนะดูถูกเกินเองเงินไปนะนะใครเล่า ว, ว่าจะจะรู้ว่าเป็นผู้มีบุญเก่าใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําความเพียรเท่านั้นเองทานนอนเออพระพุทธเจ้า กัดกับพระนอน่ะนะพระนรนร้องไห้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพานว่าพระ อ, องค์ก็ปรินิพานแล้วค่ะพระ อ, องค์ก็ยังเป็นเสขะอยู่หมดกัลยาณมิตรเลยก็ร้องไห้อ่ะนะพระ อ, องค์ก็บอกว่าอ น, อนนเธอนี่เป็นพี่เป็นผู้มีบุญเก่าอันทําไม่ดีแล้วเธอทําความเพียนเธอไม่นานจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ขนาดคนมีบุญนะยังต้องทําความเพียนเลยนะของเราถ้าไม่รู้บุญมีหรือไม่มีอะ่ะเพียรด้วยยังสําคัญอยู่ตรงนั้น ถ้าบอกว่าโอ้โหไปเจริญอย่างนี้เนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนเจริญอยู่ครึ่งปีเป็นต้นหรือสิบปีเนี่ยนะก็บอกว่ากําจัด ก, กิเลสอะไรไม่ได้สากอย่างนะค่อยค่อยว่าเอ๊ยมันยังไงกันแน่นนแต่ก็มีนะผู้ที่เขาเจริญปกติแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็เป็นคนสันโดษนะนะเขาไปเจริญเขาก็ไม่เล่าบอกคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมว่าไปเจริญอนะนะมักน้อ ย, อยมักน้อยในกุศลธรรมที่จะเล่าให้คนอื่นฟัง ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะสาธุในสูตรอื่นๆเนี่ยนะก็คือเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะก็ในยะเดียวกันอันนี้จบไปหนึ่งวักเลยนะสิบสูตร